บาปมากไหมถ้าเลี่ยงการทะเลาะ ก, กับพ่อไม่ได้ถามมักจะทะเลาะ ก, กับคุณพ่อเสมอในหลายๆเรื่องสาเหตุคือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันซึ่งดิฉันก็เชื่อในความคิดของดิฉันและทำให้ถูกคุณพ่อว่าเป็นเด็กก้าวร้าวไม่เคารพท่านทำให้ท่านต้องโมโหอยู่เสมอ ทั้งที่บางครั้งเพียงแค่ต้องการอธิบายเหตุผลของดิชันแต่ท่านก็ไม่ฟังดิชันจะบาปมากไหมตอบถามว่าบาปมากไหมตอบว่าไม่มากครับเพราะตั้งตนขึ้นมาคุณไม่ได้จงใจทำให้ท่านโมโหแค่ต้องการอธิบาย ถามว่าบาปไหมต้องดูว่าขณะที่คุณพยายามอธิบายนั้นจิตเจืออยู่ด้วยโทสะหรือเปล่าหากรู้สึกขัดเคืองคุณค้องหรือหมองใจก็เป็นบาปทางใจหากพูดจาด้วยถ้อยคำทิ่มตำ่ำหรือใช้น้ำเสียงกระแทกหูก็เป็นบาปทางปากหากลุกแก่โทสะถึงขนาดผลัก กระชากหรือแม้บีบข้อมือพ่อแม่ในอาการเข้นคั น, นก็เป็นบาปทางกายในทางกลับกันถ้าถามว่าทะเลาะ ก, กับพ่อแม่มีสิทธิ์ได้บุญไหมตอบว่ามีครับถ้าเจตนาตั้งต้นคือหวังดีหวังให้ท่านเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรม แต่บุญนั้นจะเจืออยู่ด้วยบาปมากน้อยเพียงใดก็ต้องอยู่ที่แนวคิดวิธีนำเสนอว่าฉลาดหรือทื่อดูที่วิธีเลือกใช้คําว่าสุภาพเป็นเหตุเป็นผลเพียงใดดูที่กิริยาวะอ่อนน้อมเคารพหรือแข็งกระด้างลูกสาวที่ทะเลาะกับพ่อนะครับผมเห็นรายไหนรายนั้น จะมองว่าพ่อเป็นคนแก่หัวดือ้อไร้เหตุผลีิถิมานะแรงไม่น่าเคารพเลื่อมใสทำไมเรื่องแค่เนี้ยไม่เข้าใจอยากจะบ้าตายเลอเกินส่วนพ่อที่ทะเลาะกับลูกสาวก็จะเห็นลูกเป็นเด็กอวดฉลาดถือดีหน้าหมั่นไส้ข้าทำให้เองมีตัวมีตนขึ้นมาจากสภาพอุ้นข้าเลี้ยงเองมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย น้อยแน่ริอ่านจะอบรมสั่งสอนข้าอะไรทำนองนั้นพอเป็นพ่อเป็นลูกกันแล้วมองกันแบบนี้นะครับมันก็มีเหตุให้ทะเลาะกันเรื่อยแหละแล้วก็ลงเอยเป็นความรู้สึกเดิมๆเหมือนพายเรือในอ่างเดินทางในวังวนไม่สิ้นสุดผมว่าอย่าเพิ่งห่วงเรื่องบาปหรือไม่บาปเลย ห่วงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกที่ผูกกันแบบทั้งรักทั้งแค้นจะดีกว่านี่จะเป็นกรรมที่ทําให้ภาพรวมระหว่างคุณกับพ่อกระดํากระดางทั้งรักทั้งห่วงแต่ก็รู้สึกไม่ดีต่อกันไม่ใช่ความสัมพันธ์ชันพ่อลูกที่ขาวสะอาดในความรู้สึกส่วนลึกถ้าชาติหน้าพบกันอีกก็ย่อมบันดาลให้เกิดเรื่องเครึ่องรักเครื่องแค้นอีก อย่างไรก็ตามแม้ทาให้ท่านถูกใจก็อาจมีมวลทินได้อีกเช่นกันเช่นท่านเห็นเชื่ออะไรผิดผิดหรือไปนับถือสำนักส8บปวงกุดที่ชอบต้มตุนชาวบ้านถ้าคุณดูได้ปล่อยให้ท่านเข้าใจผิดไปเรื่อยๆเป็นพวกเดียวกับมิจฉาทิฏฐิไปเรื่อยๆอันเนี้ยก็เฉียดกันนิดเดียวกับการเป็นลูกอากตันอยู่ทานองเดียวกับรู้ทั้งรู้ว่าพ่อแม่ตาไม่ดี เดินลงน้ำมีสิทธิ์จมแทนที่จะร้องห้ามหรือยื้อยุดฉุดดึงเต็มกำลังกลับหันหน้าไปทางอื่นและบอกตัวเองว่าธุระไม่ใช่ท่านอยากเดินทางนั้นก็เป็นกรรมของท่านแม้ช่วยไม่ได้แต่อย่างน้อยพยายามช่วยเต็มที่ก็ถือว่ามีความกระตันยูต่อท่านแล้ว เวลาเจอญาติผู้ใหญ่ไม่มีเหตุผลแม้ฟังคำอธิบายดีๆก็หงุดหงิดเกลี้ยกราดคุณได้ข้อสอบใหญ่ที่ท้าทายปฏิพัณและความฉลาดในกรรมเป็นอย่างยิ่งเชียวครับขอให้จำไว้ว่าไฟจะดับไม่ได้ด้วยไฟต้องดับด้วยน้ำในที่ที่เหตุผลไร้ค่าหาประโยชน์ไม่ได้จงนึกให้ออกว่าจิตที่สงบ มีสติและเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นอย่างไรเพราะความเงียบอันเกิดจากจิตที่สว่างเกิดจากความมีสติและเกิดจากความมีเมตตาเท่านั้นจะเป็นทางออกสุดท้ายเสมอหากฝึกตั้งจิตไว้ถูกคุณจะสามารถหยุดท่านได้ด้วยความเงียบครับกุศลจิตของคุณจะสะเทือนไปทางดีไปถึงจิตของท่านและลายความคิดด้านร้ายของท่านลง การพยายามเอาชนะด้วยเหตุผลหรือแม้การทำให้พ่อแม่รู้สึกพ่ายแพ้ต้องยอมจำนวนลูกนั้นไม่เคยเป็นทางออกที่สวยงามสำหรับใครหากคุณมีศิลปะในการหยุดมีศิลปะในการถอยและมีศิลปะในการรูปคุณจะทำให้ทุกฝ่ายชนะได้โดยปราศจากการสูญเสียสรุปคือขอให้จำไว้อย่างแม่นยำข้อเดียว ในสถานการณ์ลำบากนั้นถ้าจิตประกอบด้วยเมตตาไม่เจือด้วยโทสะเมื่อคิดจะเป็นบุญเสมอเมื่อพูดจะเป็นบุญเสมอเมื่อทำจะเป็นบุญเสมอบุญจะเป็นที่มาของความฉลาดจัดการกับสถานการณ์ยากลำบากทั้งหลายส่วนบาปมีเพียงด้วยความคิดจะลงให้คุณเห็นแต่ทางตันครับ